394-6977 สสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการมูลไบรท์าพาเพลินรายการที่มอบเพลงลูกทุ่งเพลอเพาะสาระและธรรมะดีๆ ด, ดำเนินรายการโดยดีเจสองแม่ลูกดีเจฟ้าและดีเจแอมสนับสนุนโดย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 ส่งตรงถึงบ้านก่อนเริ่มรายการในช่วงที่หนึ่งมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันก่อนค่ะ ทีจแอมจะมากล่าวถึงประวัติของราชินีลูกทุ่งไทยนะที่ร้องเพลงได้ไพเราะจับใจคนฟังแบบประวัติชีวิตของเธอนั้นอาพัพเหลือเกินนะคะนั่นก็คือแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะมีชื่อเล่นว่าพึ่งชื่อ จริงคือรำพึงจิตหานเป็นนักร้องเสียงเพาะจริงๆนะคะก่อนเข้าวงการคุณพุ่มพวงเนี่ยก็เกิดที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทแต่ว่ามาเติบโตที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครอบครัวมีอาชีพทำไร่อ้อยสถานภาพเนี่ยอยู่ในขั้นที่ยากจนมากนะ และด้วยความที่เธอมีน้องถึงหกคนทำให้เธอไม่จบแม้แต่ชั้นปสองอะและนั่นนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกทุ่งเนี่ยคือคุณพึ่งพุ่งพวงเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกนะคะซึ่งน่าน่าน่ า, นาเป็นห่วงในช่วงหลังๆจริงๆคุณพุ่งพวงเนี่ยชอบการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กๆค่ะคือถึงแม้ว่าอ่านไม่ออกแต่ ความจำดีเยี่ยมสามารถจดจำเนื้อเพลงได้ทุกตัวอักษรแปลกดีนะคือนี่ฉันเคยไปฟังเพลงที่คุณพุ่มพวงร้องออชื่อเพลงส้มตำ่ำซึ่งงานนั้นเป็นการแสดงดนตรีสดแล้วก็ตอนนั้นคุณพุ่มพวงก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าทุกประโยคครับเป๊ะเป๊ะคือเก่งจริงๆอัจฉริยะมากนี่ต้องยอมรับนะ คือคุณพุ่มพวงเนี่ยพออายุได้สิบห้าปีคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณก็นําวงดนตรีมาแสดงที่วัดทับกระดานซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ร่วมร้องเพลงแสดงความสามารถจนคุณไวยพศเนี่ยรับคุณพุ่มพวงเป็นลูกสาวเลยแล้วก็ได้ไปร่วมวงตอนแรกๆเนี่ยคุณพุ่มพวงไม่ได้เป็นหางเครื่องนะเพราะว่าอา่า คุณไวพจน์เนี่ยมองว่าคุณพึ่งเนี่ยตัวดําและตัวเล็กไม่เหมาะหรอกเป็นหางเครื่องแต่ปรากฏว่าทางหางเครื่องตัวจริงเนี่ยเขาลาไปทําธุระคุณพุ่มพวงเนี่ยก็เห็นเอ้ยเนี่ยมีชุดหางเครื่องมันเหลือก็เลยเอามาใส่แต่งหน้าแต่งตาเป็นหางเครื่องเต้นเต้นเตเพ่อก็งงเอ้ใครมาเต้นอยู่บนเวทีโอ้มันดูคึกคักจัง คนก็ซิ บ, บอกว่านี่ก็ลูกพึ่งของพ่อไงไปเต้นบนเวทีเนะี่ยก็เลยหล้างจากนั้นก็กลายเป็นหางเครื่องของวงอุไวัยพศเพ็ชสุพรรณแล้วก็เริ่มร้องเพลงนะคุณวัยพศเนี่ยได้อัดเพลงแผ่นเสียงชุดแรกให้กับเธอคือเพลงแก้วรอพี่แล้วก็ได้ให้ชื่อเธอว่าน้ำพึ่งเมืองสุพรรณแต่ว่าอย่างว่าค่ะความรักคือเด็กวัยรุ่นนะนะคะ ก็แอบไปคบพบรักกับธีรพลแสนสุขซึ่งเป็นนักดนตรีของวงทำให้ถูกคุณไวย พ, พศเพชรสุพรรณาละ่ออกจากวงไปนะแล้วก็เธอก็เริ่มมาเริ่มงานกับสอนเพชรสอนสุพรรณแล้วก็ย้ายไปย้ายมาสุดท้ายก็มากราบขอครูมนเมืองเหนือให้รับเป็นลูกศิษย์ครูมนเนี่ยนะก็รี เลยเปลี่ยนชื่อของพุ่มพวงให้กลายเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็โดยแต่งเพลงให้เธอร้องนะชื่อว่ารักไม่อันตรายและรำพึงแล้วก็เริ่มตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองโดยการสนับสนุนของคารมคมคายนักจัดรายการวิทยุนะแต่มันก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จ ต่อหลังเนี่ยก็มาได้รับการสนับสนุนจากประจวบจำปาทองนะให้ตั้งวงร่วมกับเสรีรุ่งสว่างนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จก็เริ่มขึ้นคุณพุ่มพวงเนี่ยได้รับการพระราชทานรางวัล น, นะจากสมเด็จพระเทพ ร, รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เองค่ะก็ได้ พระราชนิพนธ์เพลงส้มตำให้คุณพุ่มพวงเนี่ยเป็นคนร้องนะซึ่งโหไม่ผิดหวังจริงๆนะคะคุณพุ่มพวงเนี่ยเคยแสดงภาพยนตร์อยู่หลายต่อหลายเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็ก็ถือว่าดังนะคะเคยแสดงคู่กับยอดรักสลักใจสุรชัยสมบัติเจริญซระพงชาติเคย แ ส, แสดงกันมาหมดแล้วนะคะแล้วก็เพลงที่โด่งดังของคุณพุ่มพวงเนี่ยมีหลายต่อหลายเพลงเอาเป็นว่าในวันนี้นะคะดีเจแอมจะเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วกันจะเพลงที่จะตามมาที่เราจะเปิดก่อนเลยนะคะคือเพลงอื้อหือหล่อจังประวัติของคุณพุ่มพว ง, พงดวงจันทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามต่อกันค่ะ หลังหรือเปล่านนแน่ๆระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานๆนานจนมือขาปวดหลังชามือชาเท้า <c oughs> หัวเข่าดังกรอบกรับไม่เกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืม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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูนไบรท์สัญจรบอกเล่าเก้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไบรท์ค่ะวันนี้นะคะดีเจแอมค่ะอยู่กับคุณศิลสกุณีนะคะซึ่งได้บอกเล่าเก้าสิบความประทับใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไบรท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิลคะสวัสดีค่ ะ, ะแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็บ้านเลขที่ที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดเลยค่ะเชิญมังศิลสกุลีค่ะ อยู่ตมวันแดนอำเภอบรรทัดพิษัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก่อนใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบร์ป้าเป็นอะไรมาคะ่ะป้าไปได้เอามาพบเจอโรคิปล่อยมันติดที่สมองแล้วแขนไม่มีกำลังขาไม่มีต้องแล้วก็นหนักหัวตื้อค่ะดาแล้วป้าค่ะปวดและพอลมาณขนาดไหนคะเนี่ย มันปวดที่หัวเขาแล้วปวดขาปวดเส้นตะก้าปลายเท้านะี่ยมันเขาจะกระตุกแล้วป้าเอ่อชีวิตบ้านเนี่ยคือจากเดิมที่เคยทําอะไรได้เนี่ยตอนที่ปวดมากๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างะคะตอนจะปวดจะปวดมันจะปวดทั้งคืนจ้ะอังคืนมันจะปวดแล้วมันจะกระตุกทั้งคืนปลายตีนอ่นะแล้วคุณป้าเอ่อ รู้จักกระมูนใบ Mumbai ได้ยังไงคะตองวิจูดะค่ะแล้วคุณป้าหลังจากที่ใช้มมนใบไปแล้วอาการของป้าเป็นยังไงบ้างจะ๊ะประโลนก่อนนี้ใช่ไหมค่ะออชั่วข อ, อยันชั่วแ ข, ข้งขาไม่ตึงในขามันตึงอาว่ายภาคก็จมเหยียดขาหอไม่เข้าจะปวดตามเอ็นน่ะค่ะแล้วคุณี่ณ แล้วคุณป้าได้ดีอ่ า, อาการดีขึ้นยังไงบ้างคะตอนนี้เป็นอาการดีขึ้นยังไงบ้างป้าทําอะไรได้บ้างตอนเนี้ยตอนเนี้ยไดแะะไ้แต่ก็ละไม้จะกระท้าไม่ได้แต่แขนน่าจับอะไรจับได้แต่กินมันหลุดมือเองคือว่าไม่ได้มีกําลังแขนแมันเป็นแผลตั้งแต่แผลใต้อ่ะขาเขื่อ แล้วคุณป้ามีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์เนี่ยคุณภาพมันดีไหมแล้วมันใช้ได้ผลดีจริงๆหรือเปล่าค่ะดีรวดก็ดีเวลาปวดน้ำแล้วก็ทาแล้วก็ปิดไป่อยแล้วก็หายไปจะนั้นามาใช้มุนไบรท์ค่ะหายหายฮะ ค่ะในตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าสิงส ก, กุลีเป็นอย่างมากค่ะที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบร์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทนปวดอยู่ทำไม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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณบรรจงโสภากันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะให้คุณป้านแนะนําชื่อนำสกุลและที่อยู่ค่ะอ๋อที่บรร จ, จงโสภาก็เลขที่แปดค่ะหมู่ห้าแล้วก็ตำบล ห, หนองโกรดค่ะอําเภอบรรพตทิศสายจังหวัดนครสวรรค์จ้าค่ะหมู่ห้าตำบลหมอกหนองโกรดอําเภอบรรพตทิศสายจังหวัดนครสวรรค์นะคะจ้า คุณบรรจงอาการก่อนหน้าที่มาใช้มุนไบรเนี่ยเป็นอะไรมาคะอ๋อมัเป็นหลายอย่างอะ่ะกระดูกขับเส้น<า>ลมาต่อยกระฟ้าดัานตูขเข่าเสื่อมเยอะแยะอืมอืมเห็นเยอะแล้วอาการตอนที่บอกว่ากระดูกขับเส้นเนี่ยคือถึงขนาดจะผ่าแล้วหรือยังคะอ๋ผ่าผ่ามาทิ้งแล้วอ๋อผ่ามาทีนึงแล้ว ปผ่ามาแล้วผ่ามาตั้งไปแล้วปีห้าปีแล้วอนนี้หมอก็บอกว่ามันกลับมาใหม่อีกอืมอือจับมาใหม่อ๋อคือคือผ่าแล้วก็ไม่ใช่หายขาดอืมป้ามาทำงานหนักไะอืมทำอาชีพอะไรอะคะป้าทำนาจ้ะอ๋อทำนาอยู่บ้านเลจากแล้วคุณป้ามารู้จักกลับมูนไรส์ได้ยังไงคะ อ๋อฟังเลยวิทยุเออเขาเปิดวิทยุฟังก็ฟังค่ะก็คือป้าบอกว่าดีกระกระบุกระดูกขับเส้นเนี่ยป้าเล่าอาการนิดหนึ่งได้ไหมว่าอาการเป็นยังไงบ้างอ๋อมันเดินเดินไปได้ไม่นานอ่ะเดินไปได้แป๊บเดียวก็มันปวดจากเอวลงมาก้นย้อยแลก็มาหัวเข่าเลยไปไม่ได้แล้วต้องนั่งอ๋อก็คือปวดตั้งแต่สะเอวก้นย้อย อกว่าเข่าคือไปไหนก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะนะอ่านั่งซะก่อนแล้วมันจะเบาเบาแล้วแล้วก็ไปต่อได้จ้ะแล้วคุณป้าได้ลองใช้มูลไร้ที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยดียังไงบ้างคะมันก็รู้สึกว่ามันจะยืนไปได้นานสักน้อยไงกอดีก็หมดไงเลยถึงได้สังทิหลังมาเนี่ยอื ม, อมคื อ, อที่จากเดิมเนี่ยคือต้องคอยนั่งตลอดเดี๋ยวนี้ยพอยืนได้บ้างแล้ว ยืนได้เริ่มดีขึ้นนะคะค่ะแล้วคุณป้าก็เลยสั่งอีกชุดหนึ่งมาค่ะแล้วคุณป้าบรรจงมองว่าผลิตภัณฑ์มูนไบร์เนี่ยถ้าเทียบว่าทําให้คุณป้าอาการดีขึ้นนะคิดว่าราคาแบบเนี้ยที่ได้สินค้าหลายๆชิ้นเนี่ยป้าว่าราคาที่หรือว่าพอรับได้พอรับได้จ้ะไม่ไม่แพงอืออ่าของมันก็ดีเหมือนกันค่ะ อ่าแล้วบางคนฟังฟังอยู่เขาก็กลัวไงไม่มั่นใจยอย่างคนปันพจน์ก็ฟังว่งเออมันจะดีไหมฉันใช้แล้วเออมันมันจะดีไหมคือกลัวไม่กล้าสาง่งไม่มีอะไรจะบอกอับเขาะคะอ๋อก็นั่นะที่เป็นอย่างก็ป้าเนี่ยก็ลองกินดูมันก็ดี่นะอ่าปากบอกไปด้วยคนที่คนอื่นก็เป็นน่ะ<า>ลองกินหมุนไปดูเขาก็ดีของเขาอ่ะดีเลยละ่ะ<า>อ่า อที่เชียงาวมาค่ะอืออือค่ะทางรายการดวงใจนะคะต้องขอขอบคุณคุณบรรจงโสพานะคะคุณป้าทำานที่หมู่ห้าตะบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์อาการเดิมคุณป้าเป็นกระดูกพับเส้นรูมาตอยความดันสูงเข่าเสื่อมยืนนานไม่ได้เดี๋ยวนี้พอยืนได้บ้างแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อย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 และชุดใหญ่ที่ราคาสุดคุ้มใช้ได้สองเดือนราคา 1,700 บาทเหมือนท่านได้ดูแลตนเองวันละ20บกว่าบาทเท่านั้นชุดใหญ่สุดคุ้มนี้มีสินค้าถึง4ชิ้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาเพียง 1,700 บาทเฉลี่ยวันละ20บกว่าบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0813946977 7, ย้ำ081394697 ข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้าสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมเรามาฟังพ้นงานเพลงคุณภาพจากนักร้องผู้เจ้าของเพลง สิบหกปีแห่งความหลังเป็นราชาเพลงทุกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญค่ะปินสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน เท่านี้ก็สาแก่ใจซาถึงดวงในของเราโบราณท่านว่าบรรดาช่างสานงูเห่าอีกครั้งข้าเก่าเมียรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจ ผมต้องรงดวงใจสุธนเมียรักที่เคยกอดนอนต้องมาหนีจอจากไปลืมผัวทิ้งลูกรูมฟังคิดโบลชูใหม่เมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้ายพี่บาหรือไรสิ่งใจแม่นา กิมไตรปลาเจ้าลืมแม่กินปลาฮาเจ้าลืมกระทังปลายางเจ้าไม่เทวินจึงโบยบินที่ติดวีขางอําลาผัวไปไกลห่างทิ้งลูกร้องครางเสียแทบขาดใเปินสุดกันเถนาแม่นาง ราใจสองชาตินี้ไม่ขอไฟฟองให้มามัวมองต้องไปสงสารแต่ลูกต้องมาคร่ำครวญร้รองไห้ลูกเบยแม่จากเจาไปพ่ อ, อยังเลี้ยงได้นะลูกยา การศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าจะได้มีวิชาติดตสินชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้เธอหนานางหญิงใจสามชั่วชาเยี่ยงนางโบราณคาั่วไม่เคยนึกขิชอบทิบรถกามเบา ส ว, ววสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่า90 ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มุลไบรท์วันนี้ค่ะดีเจแอมอยู่กับคุณสายบัวตาไวยนะคะซึ่งจะมาแสดงความคิดเห็นค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มุลไบรท์สวัสดีค่ะคุณสายบัวค่ะสวัสดีค่ ะ, คะแนะนำ<อ>ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะชื่อสายบัวนามสกุลตาไว้ค่ะแล้วบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่ เลขที่สามสิบหกใ่มือที่ส2บสองตำบลแหลงช้างเป็นต๊อกปสศตจจังหวัดนครจังหวันค่ะก่อนหน้าทานบุลบายเป็นอะไรมาจ๊ะปวดขาปวดเอ่อบ่าแข้งบ่าขาปวดเข่าค่ะเอ่ออายาอะไรก็ก็ มันก็ไม่เป็นเรามันพอพอหดยามันก็หมดไปอย่างนั้นแล้วก็ไปหาหมอมันก็พอที่เราเที่เรามันก็ไม่หายก็ทีตัวดีแล้วแต่ก็เลยได้ยินแม่ชีแม่ชีวันเขาอยู่เนินโปก็มาบอกเขาบอกว่าเออคิดถึงเอาน้าสายวัวจันเลยกับเนี่ยจำเรามาเนี่ยแม่ชีมาเนี่ยเขาบอกก็เอาชุดเล็กมาก่อนมาเขาบอก เขาปวดเมื่อยตามเมื่อยตามตัวเนี่ยรวดหมดเลยบอกว่าจะเป็นอัมาพาตมือก็ช้าหมดแล้วก็มาพูดมือฟังเข้ามานะเขามาที่บ้านมาเที่ยวแม่ชีทีนี้ก็แนะนํำพอแม่ชีแนะนํา เ, าเอป้าก็บลูกชายมาตัวนี้โทรอันี้เป็นแม่ชีจดเบอ่ อ, อทโทรให้แม่เนี่ยเอาสั่งให้แม่ชีช่อยช่วยเลขมา ก, ก่อน แม่ก็อยากจะื่อยากจะกินอยาจะรองดือว่ะอย่างนั้นทีนี้ก็ลูกชายแม่ก็บอกลูกชายก็บอกว่าเออจาวนี้แม่แต่ลูกชายก็เขาก็เป็นเาษานะอ้าเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเรื่องป่างให้แม่ดูก็ได้อย่างนั้นแล้วก็สั่งทีนี้ก็เออพ้อมกินมันก็กินทั้งแรกก็ปวดปวดปวดกระปวดจนไม่ปวด เอทําไมปวดจังแล้วปวดขับเบาเขายิ่งปวดก็ยิ่งกินยิ่งไปก <fully> ินมาเหมือนเบาเข้าเบาเขาเออว่าคนเขาชื่อหน่อยมาบอกว่าเออก็เบาว่าแม่เหมือนเบาว่าเดินมันเหมือนเดินจะขับจะสูงถึงหน่อยบ้างหลังนั้นบอกกับเล็กเล็กก็เลยอื่นตื่นให้แม่ใหม่อี่อชีพเม็กมาอีกคือเล็กหงนั้นเออว่าบอกอารพวกทําชื่อบ้านอะนะบอกเขาบอกเคย จิ้หายว่ะจิ้มดูแบบจิ้มเบาว่ะเหรอฮะเขาบอกเขาทำถั่วกันแล่ก็บอกเขาปวดทัานแรกเขาคนที่บ้านบอะเ่าเขาเขาว่าจะสั่งในกันแม่แต่เขาไม่กล้าฟังเขาบอกว่าตัวก็าเจ็บถั่วไม่ได้เขาก็เปวดเขาบอกว้าเขาเขาทำถั่วฝักยาวกันหลักเช้ามานะมะเขาบอกก็เปวดจันแล้วเขาปวดแต่เจ็บั่วไม่ได้เขาบอกว่างั้นนี่ป่าอะไรบอกว่า อืมนใหม่ๆกันตัวจริงๆบอกตัวแบอตัต้ตตงใจทำมานมานเท้าเขาก็บา้าว่าอย่างนั้นตื่นก็ฝากนะอืมอ่ะสะกดจริงจริงจ้ะแล้วป้าป้ามีอะไรที่จะฝากกับคนฟังไหมคะว่าเอ๊ของบุญไบร์เนี่ยราคาแพงไหมหรือว่ามันดีจริงหายจริงหรือเปล่าอะค่ะเอ่อที่สั่งเลั้ยนะ เออป้าก็จําม่ได้แต่ว่าดีกว่าซื้อกระดีจริงๆงแต่ว่าบอกให้ซื้อจะไม่แพงแล้วพอก็ไม่แพงก็ซื้อจึนได้เน่ยมันเขากระดิ่งจริงๆเออบอกคนนี้บอกคนเขากระดิ่งจริงๆแล้วบอกกขาตามบ้านเขาเนี่ยเขาบอกเขาบอกให้ซื้อจิ้งล้อบอกดีจริงๆ้วไม่แพงแล้วเขาก็บอกว่าไม่แพงเขาก็พูดก็เขาบอกว่า ตัวเขาจะเจ็บตัวไปได้เขาบอกก็ปวดใหม่ๆมันปวดระหว่างนะำข้นตัวอย่างนั้นทางบ้านเนี่ย น, นะค่ะก็ขอขอบคุณคุณป้าสายบัวตาไวเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะชามือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์ำํำ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรทจะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูไนไบรทสอบถามได้ที่เบอร์0813946977สหเกเจเจำาสหเกเจเจ เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสมพงษ์วงทองคำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมพงษ์แนะนําชื่อนำสกุลเลยค่ะสมพงษ์วงทองคำค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะหนึ่งหกหกค่ะหมู่อะไรคะหมู่หค่ะตําบลค่ะตาบลอ่างทองค่ะอําเภอค่ะอําเภอบรรพุ อ่าบันพลพิสัยจังหวัดค่ะจังหวัดววนครสวรรค์ค่ะคุณสมพงศ์นี่ทำอาชีพอะไรคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอ๋ออยู่บ้านเฉยๆอายุเท่าไหร่แล้วนเนี่ยบ้านแล้วก็เดียวาายยซื้อของเก่าขายเ่ยอ๋อซื้อของเก่าขายอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบกว่าหกสิบกว่าคุณสมพงศ์นี่มีอาการปวดเส้นตรงไหนยังไงบ้างคะ ปวดหมดทุ้งตัวน่ะเจน่ะมันเป็นนานแลว้วอ่ะเป็นมากี่ปีแล้วอ่จะจ๊ะหลายปีแล้วห้ปีใช่ไหมเน่ยแบบตึงทั้งตัวหมดเลยตึงตั้งแต่ตรงไหนบ้างคะป้าตรงบั้นเอวเนี่ยเป็นมากในตร ง, งช่วงล่างไว้ขาขวาเป็นขาขวาก่อนแล้วก็มาถึงไหล่เนี่ยหัวหูเป็นทั้งหมดเนีะ อ่ตึงตั้งตแต่ขาขว า, ข<อ>ขาต้นคอไหล่หัวตึงหมดเลยแล้วเวล า, วาตึงเนี่ยมันนอนได้ไหมนอนได้อืมนอนได้แต่ว่ามันตึงมันปวดอ่ะอืมเป็นเยอะเอั้นมั น, มนแบบมันจะปวดแบบอืมันงทีตอดแมดเลยอืมแล้วก็เป็นตะคิวด้วยค่ะ ตะคิวนี่ชอบจับตอนไหนอะคะมันนานๆเป็นทิงและแต่นอนอยู่กลางคนืนไม่มันไม่เลือกอะบางทีมันแค่นั่นอย่างก็น่องพิกงั้นแหะแต่มันเป็นทิ้งเป็นมากเลยแบบบิดไปสนมาเดินไม่ได้เลยแบบท่อนนีงยท่อนข้างขวาเนี่ยข้างล่างอะท่อนช่วงล่างไปหัวเข่าไปโน่นอะเดินไม่ได้อะ่ะบิดออ ตะคิวจับนองพิกบิดเลยเอปวดมากเลยเนาะจ้ะปวดค่ะแล้วคุณป้าก็เลยมาสั่งของมูนไรส์ทานชุดแรกแล้วตอนทานเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกัเบาตรงไหนบ้างอะที่เริ่มรู้สึกว่าเบาอะคะ่ะมันมันไปนแล้วมันตามันช้ด้วยแล้วก็ได้นี่พกซิงเข้าไปแล้วตามันจะแก้มือขึ้นเนี่ย ตามันแแจมขึ้นอ่าแล้วตรงปวดตามเนื้อตามตัวเนี่ยรู้สึกว่าหย่อนบ้างไหมค ะ, อะตอนแรกนอนมันมันก็เบาเนะแต่มันนอนไปแ่เฉยอย่างนี้ อ, อย่างก็มันไม่ปวดแล้ะ <c oughs> พอเดินขึ้นมันยังปวดอยู่นี่มันปวดปวดทั้งตัวเลยเนะ่ะเรียกได้ว่าสมัยก่อนตอนนอนนี่ยังปวดแต่พอทานมูลไบใช้น้ํามันหมดมูลไ บ, ลบนอนไม่ปวดแล้วอ่า นปวดอนอนที่ถืออย่างก็มันแบบมันอย่างก็มันจะหายไงแต่ลุกเดินึ้นมันยังมันยังมันปวดอือมันมันจะขับไงแล้วมันปวดหมดเลยนะอาการของมูนไบร์ก็คือมันขับนะคะคล้ายๆว่ามันดึงเส้นอะมันก็เลยปวดถ้าปวดเรียกว่าม้าถูกทางบางคนก็ฟังหนูเอ๊ะทำไมมันปวดอ้าวก็มันก็ขับโลมันดึงเส้นพอทานไปถึงจุดจุดหนึ่งมันเลิกปวดแล้วมันก็หายเลย นะคะค่ะแล้วคุณป้าถ้าเกิดมีคนสงสัยว่าเออเนี่ยคุณป้าทานจริงหรือเปล่าคือบางคนเนี่ยโดนกลัวโดนหลอกไงคุณป้าจะบอกอะไรกับพวกเขาอะคะทานจริงค่ะไม่ได้หลอกน ะ, ะแบบจริงยาม า, มากๆเลยทุกอย่างจริงไม่รู้เท่าไรแล้วเนี่ยค่ะจรงมาแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นยังไงอะ ตอนแรกอะหายจริงๆหายหน่อยๆอาหายปั๊บพอหมดฤิษ์ยาแล้วเอาแล้วอืมค่ะค่ะทางรายการมูลไบรท์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมพงษ์วงทองคําด้วยนะคะที่อยู่ตำบลอ่างทองอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อย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 <7. S 2> ข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมเรามาผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงจากนักร้องคุณภาพจากค่ายอาสยามกันค่ะ ไม่ยอมกลัวให้หอมแล้วพี่ก็ทิงน้องหวังจะมอบให้คนที่มีใจรักจริงมอบใจแนบแพบอิงแต่ต้องคนรักจริงเท่านั้น ถ้ารักแล้วเล่นคงเป็นแค่คนไม่สำคัญถ้าพี่ไม่ใจรักมันช่วยยืนยันว่ารักน้องจริงหากรักจริงใจน้องก็ไม่พูดยาหากเราแค่ลมปากก็อยากให้ จรอชายเขามาหมายมันโดยใจรักจริงรอยากแล้วกงไม่ทิ้งให้ใจยิงอับเฉาผู้หลับของน้องอยากจับจองต้องรีบมาขอจะตั้งใจรอ มาขอน้องเป็นเจ้าสาวน้องขอเพียงแค่พี่รักแน่ไม่รักชั่วคราวถ้าพี่มาเป็นเจ้าบ่าวน้องจะเป็นเจ้าสาวแสนดี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 มาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณชูศรีนวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะสวัสดีค่ะค่ะคุณชูศรีนวดีให้แนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะ้าป้าชื่อชูศรีนาวดีไออยู่บ้านเลขที่หนึ่งหกสามเหนึ่งหมู่หนึ่งหูกวางค่ ะ, ะอํเาเภอบรรทตค่ะอ่าตําบลหูกวางอํเาเภอบรรทศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์จ้า คุณชูศรีคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับหมูนไรเนี่ยเป็นอะไรมาจ้ะมันลดมันลม้มแล้วมันปวดหลังมันตึงหลังหมดทั้งทั้งหลังเลยจ้ะลดล้มมากี่ปีแล้วลดล้มมาประมาณตักงสามปีได้เลยมั้งตอนนี้ป้าไม่เป็นอะไรนะพอพออยู่มาอยู่มาป้าไปไปตัดอ้ยอยนีไปไปดึงอ้อยเข้าแต่ตอนนี้มันปวดมันเสียวหลังมันเสียวหลังแล้วป้าก็ แล้วก็เออไปหาหมอหมอเขาบอกว่ากล้ามเนื้อมันขาดนะป้าอะไรอยาเงี้ยแล้วป้าก็ฉีดยามามันก็ไม่เบาป้าก็ฟังไอวิทยุมาเจอไอมีอมุนไบเก็เลยสั่งมากินสั่งมากินชุดหนึ่งตอนนี้มันมันเบาขึ้นไง ต, นตอนนั้นสั่งหมดก็เลยไม่ได้สั่งต่อในหลังจากเลยหยุดสั่งเพื่อจะมาสั่งอีก ตอนี้ตอนนี้รถลมไปตอนนี้มันตึงอะ่ะมันมันเดินแบบเดินไม่ได้มาประมาณสักเดือนนึนนงตอนนี้ไปหาหมอหมอเขาก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อมัง่งอะไรมัง่งแต่เขาบอกกระดูกไม่เป็นไรแต่ตอนตอนมาอยู่สักประมาณสองปีอะไรมามาปีที่เนี้ยมาอตอนตอนเนี้ยมันปวดเนี้ยอันนี้มันปวดอันนี้ปากก็ไปฉีดยาหมอมันก็ไม่เบาตอนนี้ปากก็เลยฟังมุทิยุไปนอนฟังมุทิ พอได้ยินมลบายเออป้าก็ลองที่ด๋อยลองสั่งดูกินดเอออาการตรงไหนบ้างที่มันดีขึ้นที่บอกว่าก้มหลังไม่ได้อะไรอะค่ะก้มหลังไม่ได้พอพอกินเข้าไปกินไอ้ล้างล้างหินปูนอะค่ะตอนนี้มันเบาขึ้นเบาขึ้นก้มได้ทําอะไรได้ทํางานบ้านได้เลยตอนนี้ป้าก็กินไปเรื่อยๆพอใกล้จะหมดอ่ะใกล้จะหมดตอนนี้ป้ามีตังก็เลยยองได้สั่งอืมจ้ะแสดงว่า เป็นความรู้กับท่านผู้ฟังไปโดยไปเลยในตัวนะคะแ <Yeah. S 1> ว่าคนที่รถล้มหนักๆแม้ว่าเราอ่ะจะรักษาบาดแผลข้างนอกทายา <Yeah. S 1> ทําทุกอย่างมันก็ไม่ได้ว่าปกติถูกไหมคะใช <Yeah. S 1> ่เมื่อเราลดล้มมันจะมีริ่มเลือด <Yeah. S 2> คือเวลามันจะเกิดการเลือกข้างบริเวณกระดูกและเส้นเอ็นซึ่ง <Yeah. S 1> ลิมเลือดตรงนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานๆนะคะมันจะเข้าไปเกาะ บ, <Okay. S 1> บริเวณกระดูก แล้วบเวณเส้นเอนทำให้เรา เ, เ, เนี่ยอรอวันปวดได้เลยแต่มันจะไม่ปวดหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทันทีแต่มันจะปวดหลังจากเ อ, อเป็นอุบัติเหตุไปแล้วหลายๆปีมันเลเื่อมเลือดตรงนี้แหละอันตรายที่ทําให้ท่านอยู่ดีๆก็ปวดแล้วก็ชาแล้วก็ทรมานนะคะอ่าแล้วกล่องของตัวมูลไบร์เนี่ยคุณป้าทานแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะที่บอกว่ามีขึ้นยอะยที่ปวดอะ ทำงานเดี๋ยวนี้ทำงานได้ไหมแล้วก็งานเกี่ยงมะลิได้จ้ะทำงานก่อนนั่งได้หมดเลยอย่ามากกว่านั่งไม่ได้ใคมันปวดเลยแต่ก่อนนั่งไม่ได้ค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะหกสิบป่ะจ้ะหกสิบแล้วนะคะเพราะคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไรอะค่ะเป็นยังไงราคาเนี่ยมันแรงเกินไปไหมเทียบกับที่สิ่งที่เราหายนะเราคาราคาไม่แพงอจะแตก แต่ก็กินดีกินดีเลยละกินเบาเยอะเลยอ่ะแล้วไปหาหมอฉีดยานี่ไม่เบาเลยพอกินได้นี้ก็ไปก็เบาเยอะเลยจ้าถ้าใครเป็นอย่างป้านะถ้ารดล้มหรือหกล้มอะไรเนี่ยเขาให้ก mm ลังมุนใบกินได้เลยเนี่ยเขาเขาช่วยได้เยอะเลยละช่วยแบบไม่ต้องไปหาหมอเลยอะช่วยได้เยอะอ๋อ มันก็เหมาะแบบว่าเราก็ไม่รู้จักกันเลยเงี้ยได้ฟังคุณที่ยูล้วก็สั่งมากินเลยเงี้ยค่ะ<ฆ>เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะพอเราฟังคุณยูไปแล้วเออเขาพูดว่าคลายเส้นนะอะไรนาะล้างสิไอหินงปูนในกระดูกอะไรเงี้ยแล้วก็ลองสั่งมกินได้ถ้าเราเป็นแล้วก็<ฆ>ถ้าไม่เชื่อเราไม่เป็นหน้าม้าไม่อะไรไม่รู้จักกันเนี้ยเพราะนัมัน อ, นออกเราละจ่ะทางรายการบุญร้ายต้องขอขอบคุณคุณป้าชูศรีนาวดีนะคะ ที่บบอยู่ตำบลหูกวางอเภอรบรรนฑทิ่ใยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอบคุณนะคะบบค่ะสองน้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยนี้สกัดจากสมุนไพรเกือบ20ชนิดยกตัวอย่างเช่นเท้าตีนเป็ดเครือสรรพคุณเนี่ยเขาแก้ปวดเมื่อยทำให้เส้นเอ็นอ่อนลงเสริมสร้างเส้นเอ็นน่ะให้แข็งแรงใบและดอกของต้นเทียนเกล็ดหอยช่วยบารุง ที่เส้นเอ็นที่อักเสบช่วยฟื้นฟูสภาพเส้นเอ็นที่พิการเนื่องจากอุบัติเหตุลดความรถชนใบอังกาบแดงแก้ฝกช้ำเคล็ดขัดยอกผักหนอกแก้เมื่อยแก้ขัดแก้ปวดในเส้นแล้วก็แก้ชาไหนเทายัง้งแก้เส้นเอ็นพิการดับพิษในกระดูรักษาอาการเส้นยดึดอาการเคลื่อนไหวตัวลาบากไกรทอง แก้เส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยแก้เหน็บชาชามือและชาเท้ารากของเถาวันเปรียงบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นขาดเถาโคคลานแก้เส้นเอ็นตึงแก้ปวดหลังและทําให้มีกําลังวังชาต้นต่อไส้ต่อเส้นเอ็นที่พิการให้สมบูรณ์บำรุงเส้นเอ็นกายานบำรุงเส้นเอ็นให้หย่อนรวมถึงสมุนไพรยเย็นและอีกหลายๆชนิดซึ่งน้ํามันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยของมูนไบรท์นั้น มีกลิ่นหอมเย็นค่ะสดชื่นทาแล้วเนี่ยซึมลงผิวทันทีไม่เปื้อนเปื้อนเสื้อผ้านะคะทาแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกสบายผิวแถมบำรุงผิวไ้ในตัวเพราะมีน้ำมันโมเลกุลเล็กเช่นน้ำมันมะพร้าวทำให้ผิวท่านสนส่ยสดใสแต่งตึงและมีคุณสมบัติเหมือนหมอนวดมาจับเส้นดูแลสุขภาพท่านยังไงงั้นโดยที่ท่านดูแลตนเองในราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นเอง ทาอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรวมถึงช่วยไล่มแมลงที่ไม่พึงประสงค์รอบๆตัวท่านได้ด้วยนี่คือเป็นประโยชน์ของน้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังตั ว, ตวจริงเสียงจริงของคุณบุญส่งคล้ายสังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าจ้าฉันบุญส่งคล้ายสังค่ะบ้านเลขที่นึองเก้าตําบลโนกวาง อำเภอพุทธใจจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณป้าอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่สองจ้าป่าหมู่สองนะคะตําบลหูกว้างนะค่ะคุณป้าก่อนที่จะมารู้จักกับมูลไบร์เนี่ยคุณป้าเป็นอะไรมาคะโอ้มันเดินไม่ดีอะ่ะปวดเมื่อยไปหมดเดินปวดแข้งปวดขาปวดหลังเดินแบบคนขาทางนั่น อ, อ๋อเดินขาทางจ้ะค่ะ นางเลี้ยงหลานอยู่เนี่ยก็ฟังให้วิทยุเนี่ยโอ้โหเขาจังพลาดกันเขาว่าใช้ดีไม่ต้องเสียดายจะตังก็เลยลลงดู โ, โอโ้ดีอะ่ะชุดเล็กสิวนะ่ะตอนนั้นป้าลองชุดเล็กก่อนแล้ว<ะ>หมันบอกว่าพอกินไปเนี่ยมันปวดมากขึ้นเลยเหรอคะปวดโอ้โหปวดมากสี่วันมุกหนึ่งจะไม่อยากกินเลยอะ่ะปวดกระบอกตาปวดทั้งตัวปวดหมดน่ะ โอหลังจากนั้นแล้วก็บเบาอ่าดีขึ้นกว่าตอนก่อนใช้ใช่ไหมคะจะดีขึ้นก่อนใช้ก่อนใช้นะ่มีไหวเลยลุกก็ยันหน้ายันหลังเห็นบอกว่าให้พี่ชายฐานด้วยจ้ะคุณลุงก็ดีสุขภาพดีตํามหัวหารได้หัวาหารให้แม้ว่านะคุณลุงเนี่ยอาการก่อนจะใช้มุนไบรคุณลุงแบบอาการเป็นยังไงคะ ก็เหมือนกันเนี่ยขาตางเหมือนกันเลยเดินก็นับตาได้อะ่ะเออดินหูช้ามากเลยพอได้ขาได้กินก้าไปโอ้กระฉับกระถิง่งทำอาหารแมวได้อะ่ะ <c oughs> กันเดินเก่งงันเนี่หนูถามนิดนึงคือทั้งลุงทั้งป้าเหมือนกันหมดคือเหมือนกันหมดเลยอย่างก็เป็นโรคเดียวกันเลยก่อนจะใช่เนี่ยแคบจะขานที่กันเลย อ้ยองก็แยงอู้เดินนาทูรีแล้วรักษาที่อื่นมาบ้างไหมคะก่อนหน้าเนี้ยอู้ไปรักษาทั่วก็บอกน้ำมันดีอะไรดีกั็ไปก็ก็ไม่กุ้งก็โรคอะ่ะอ๋อไม่หายจ้าหมดเงินไปเยอะไหมป้าอืก็หลายเหมือนกันเนี่ย ร, รักษามาเยอะไม่หายหมดเงินเลยหลงชุดเล็กเนี่ยเออคอยชั่วแล้วหนูถามป้านี่มว่ามั น, มน<ะ>ถูกกันนะ ทำไมทำไมถึงตัดสินใจที่จะลองมูนไบเพราะว่าบางคนเนี่ยฟังวิทยุมาเขาก็บอกว่ากลัวว่าจะโดนหลอกกลัวว่าโอ้โหบอกบ้านพูดจังเลยเขาบอกหน่านาม้าพูดแล้วอย่างงั้นอย่างนี้บอกคือหน่ามาหน่าหมาฉันก็ไม่กลัวฉันจะลองกินอกกินแล้วมันดีอ่ะใครไม่เคยลองก็ลองได้เลยอืมมันดีจริงๆค่ะก็คือว่าที่จุดหนึ่งที่ป้าสนใจก็คือว่า เอออย่างน้อยราคามันก็ไม่สูงมากนะมันทอยราคาก็ไม่พงด้ก็เลยว่าเออลองเสียงดูถ้ากินแล้วถูกเผื่อเราจะได้หายใช่ไหมคะจริงๆมื่อกีก็ได้ช่วยก็ทํำอะไรได้มัง่งอืแล้วมันก็ดีขึ้นคือหายขึ้นอหายจริงจ ร, งจรงค่ะค่ะแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากกับอ่าผู้สูงไวัยไหมที่ตอนเนี้ยกําลังฟังอยู่แล้ว ลกลัวว่าจะโดนหลอกกลัวว่าแบบหคือรักษามาเยอะจนท้ออ่ะจนกลัวไปหมดแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> โหผบอกเลยฉันบอกจริงใจเลยเนี่ยฉันก็ทับใจไม่ต้องกลัวเลยหน้ามาไม่ต้องกลัวเลยฉันอยู่หุบฟางเน่ะโทรมา ถ, ถามได้เลยมไม่ต้องกลัวฉันเลยฉันน่กลัวที่สุดเลยหน้ามาจะลองดูแล้วไม่ใจหน้ามาสักหน่อยเขาดีจริงจริงอือ เต็ใจเลยจะกินในตัวนี้เต็มใจอ่ะข้อสังเกตยอย่างหนึ่งของมูลไบรท์นะคะถ้ามันเป็นหน้าม้าจริงๆมันจะไม่สามารถสัมภาษณ์กันได้เยอะขนาดนี้ถูกไหมคุณป้าจริงๆที่โอ้โหเนี่ยยังอะไรที่ก็ขนสั้ะที่เลี้ยงหมาอะไรที่ว่านอนนอนทานขี้านเวยวอะไรทุกคนมาเนะ่ะอยู่ละครจั๋วหวันเราตรงไหนเนะี่ยค่ะฉันเชื่อแล้วฉันตัดสินใจแล้วโทรหาคุณเลยบอกมันนี่น มันดีจริงๆอ่ะบกจะเดินไม่ได้เนาะเป็นหลงขาลมากอย่างนั้นอย่างนี้คืออะไรก็ไม่รู้ฉันก็ลืมไปแล้วคุณป้าประทีแ่แสงเพชรใช่ไหมนั่นแหละโอโหแกคุยดีบอกร้องดูเลยขนาดจะทำผักมัดผักอะไรฉันยังเอาอ่ะวางันนี้อือโอแก ค, คุยดีอะ่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ที่พิงป้ามาแบ่งปันนะคะว่าใช้จริง หายจริงดีขึ้นจริงหายจริงดีจริงจริงประทับใจใช่กันเรอะเขาไม่หลอกค่ะขอบคุณคุณป้ามากค่ะค่ะสวัสดีค่ ะ, าคะชาหมือนชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูนไบรด์ดำ